ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีพูดผีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากที่สุดนะคะนั่นคือต้นตะเคียนค่ะมีเรื่องเล่ากล่าวขานถึงผีต้นตะเคียนมากมายหลายเรื่องและเรื่องของต้นตะเคียนที่มีพูดผีวิญญาณสิงสู่อยู่นะคะมีหลักฐานเชื่อได้ค่ะว่าเป็นเรื่องจริงและก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแทบทุกเรื่องของผีต้นตะเคียนค่ะจะเป็นผีผู้หญิงที่สิงสู่อยู่ในต้นตะเคียนต้นนั้น ผีตะเคียนนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวแต่อย่างไรค่ะแต่ว่าผู้ที่พบเห็นผีตะเคียนจะบอกเหมือนกันค่ะว่าเป็นผีผู้หญิงวัยสาวที่สวยงามมากเครื่องแต่งกายที่สวมใส่นี้ก็จะเป็นชุดไทยโบราณคือมีการนุ่งผ้าจงกระเบนแล้วก็ห่มสบาย ตามปกตินะคะผีต้นตะเคียนจะไม่ดุร้ายอะไรแล้วก็ไม่เคยปรากฏรูปกายน่าเกลีย ด, น, ยดน่ากลัวหลอกหลอนให้กลาสยองขวัญเกิดความพร่านพึงเว้นแต่ว่าจะไปล่วงละเมิดล่วงเกินนางตะเคียนอย่างรุนแรงผีตะเคียนจึงจะแผงลงฤทธิ์ประทุสร้ายผู้นั้นค่ะคุณผู้ฟังคะมีผู้สงสัยว่าผีต้นตะเคียนมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าให้เกิดความหวาดเสียวสนุกสนานเท่านั้น สำหรับเรื่องนี้ขอยืนยันว่าผีตะเคียนมีจริงๆและมีหลักฐานการยืนยันการปรากฏตัวของผีนางตะเคียนมาแล้วหลายเรื่องเช่นผีนางตะเคียนที่บ้านทรงไทยของหม่อมราชวงศ์เครือริดปาโมชท่านผู้เป็นมหาปราชญ์ของเมืองไทยก็ว่าได้อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้ก่อตั้งและเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะคะเป็นนักคิดนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยละครทีวีเรื่องสี่แผ่นดินก็เป็นบทประพันธ์ของท่าน ผีตะเขียนที่บ้านทรงไทยของหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมทค่ะเคยเกิดปรากฏร่างให้เห็นหลายครั้งหลายวาระนะคะโดยหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์เองก็ประจักษ์ด้วยตัวท่านคนขี่3ล้อหลายคนก็เจอมาแล้วค่ะเรื่องก็คือมีผู้หญิงเรียก3ล้อให้ไปส่งที่บ้านหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์พอไปถึงบ้านก็เดินเข้าประตูรั้วหายไปเลยคนขี่3ล้อเนี่ยจึงไปทวงค่าโดยสารกับหม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์เพราะคิดว่าเป็นคนในบ้านค่ะ ชื่ออำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีก็มีชื่อมาจากผีนางตะเคียนเหมือนกันความเป็นมาของชื่ออำเภอนี้เนื่องจากว่ากรุงเทพมหาคนครค่ะมีประกาศไปยังหัวเมืองต่างๆให้คัดเลือกต้นไม้ที่มีลักษณะดีที่สุดส่งมายังเมืองหลวงเพื่อคัดเลือกนําไปเป็นเสาเอกในการสร้างวังหลวงบางแห่งระบุว่านําไปทําเสาหลักเมืองนะคะ ไม้ตะเคียนจากจังหวัดสระบุรีไม่ได้รับเลือกเนื่องจากสวยสู้ไม่ได้ขณะที่ผูกไม้ตะเคียนไว้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตะเคียนที่ไม้ตะเคียนนะคะก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจยในคืนนึงค่ะ เชือกที่ผูกต้นตะเคียนก็ขาดจากหลักแล้วก็ลอยทวนน้ำกลับไปยังจังหวัดสระบุรีนะคะเมื่อถึงอำเภอเสาให้ต้นตะเคียนที่ลอยทวนน้ำมาก็จมลงไปก่อนไม้จะจมเนี่ยก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนได้ยินตลอดสองฝตะตลิ่งจึงเล่าลือกันว่าผีนางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียนเสียอกเสียใจที่ไม่ได้รับการคัดเลือกถึงกับร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้า ด้วยเหตุนี้นะคะที่ต้นตะเคียนจมจึงเรียกว่าบ้านเสาบ้านเสราร้องไห้ต่อมาเหลือเพียงเสาไห้เมื่อถูกยกให้เป็นอำเภอจึงได้ชื่อว่าอำเภอเสาไห้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องของผีนางตะเคียนที่จะนำมาเสนอดังต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณวาสันแก้วสีมานะคะคุณผู้ฟงังซึ่งมอบให้คุณวาสันเป็นผู้เล่าเรื่องราวทั้งหมดดังนี้ คุณวสันต์บอกว่าข้าพเจ้าเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6ก็หมดโอกาสเรียนต่อเพราะว่าฐานะทางครอบครัวไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ต้องออกมาหางานทำจนกระทั่งอายุครบเกณฑ์ทหารต้องไปเป็นทหาร2ปีแล้วก็ปลดประจำการแล้วนะคะมีเพื่อนชื่อสมชายมาชวนไปทำงานเป็นลูกจ้างโรงเลื่อยไม้แห่งหนึ่ง แต่ว่าต้องเข้าไปทำงานในป่าในหน้าที่คุมคนงานตัดไม้แล้วก็ชักลากแล้วก็ทำเอกสารง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะคะปางไม้ที่ทำงานอยู่ในป่าบริเวณนั้นเรียกว่าห้วยน้ำหอมมีห้วยใหญ่แห่งหนึ่งเป็นแหล่งน้ำ ผลงานของโรงเลื่อยทั้งหมดปลูกเพิงพักใกล้กับลำห้วยแห่งนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมชาวบ้านจึงเรียกชื่อห้วยดังกล่าวว่าห้วยน้ําหอมในเมื่อน้ําในห้วยเนี่ยก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไรเลยและก็เป็นน้ําธรรมดาทั่วไปป่าที่ข้าพเจ้าเข้าไปทํางานเป็นป่าซึ่งโรงเลื่อยได้รับสัมปทานให้เข้ามาตัดไม้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกเช้าคนงานจะออกไปตัดไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ด้วยเลื่อยยนต์แล้วก็ใช้ช้างชักลากมารวมกันเพื่อให้เจ้าพนักงานของป่าไม้จังหวัดเนี่ยมาตีตรานะคะก่อนที่จะใช้รถยนต์บรรทุกไม้สูงออกจากป่าข้าพเจ้ากับเพื่อนมีหน้าที่คุมคนงานเพื่อให้ได้ไม้ตามเป้าหมายของโรงเลื่อยวันหนึ่งเป็นวันที่คนงานชุดที่ข้าพเจ้าคุมเนี่ยหยุดพักช่วงบ่ายของวันนั้นเมื่อแดดอ่อนแสงลงข้าพเจ้าก็เอาปืนลูกกรดออกไปหายิงนกด้านหลังปางพัก ป่าด้านนี้ยังไม่เคยเดินเข้าไปลึกจึงต้องเดินเลาะไปตามขอบห้วยแล้วก็ต่อจากห้วยเป็นลําธารเล็กที่ไหลลงมาจากยอดเขาเพราะว่าจะได้อาศัยสังเกตเส้นทางเวลาน้ำย้อนกลับจะได้ไม่ล่งหลงป่าข้าพเจ้าเดินลึกเข้าไปพอสมควรแต่ว่าไม่เจอนกเอาซะเลย ไม่รู้ว่านกหายไปไหนหมดขณะมาถึงที่โล่งแห่งหนึ่งด้านซ้ายมือเป็นทางลาดไปบรรจบกับลำธารตื้นๆข้าพเจ้าก็แทบจะไม่เชื่อสายตาเมื่อมองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ริมลำธารข้าพเจ้ารีบหลบเข้าไปแอบดูหลังพุ่มไม้ด้วยคิดว่าเธอผู้นั้ น, เ, นเป็นชาวบ้านป่าเพราะว่าสาวบ้านป่าเวลาพบคนแปลกหน้าจะวิ่งหนีและไม่ยอมพูดคุยด้วยสาหรับหญิงสาวที่ ข้าพเจ้าเห็นนั้นดูลักษณะการแต่งกายไม่เหมือนสาวชาวป่าเอาซะเลยเธอใส่เสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือสีชมพูสวยใสยผ้าถุงที่ใส่ก็จะเป็นสีชมพูเข้มเหมือนยกลายด้วยดินเงินหรือทองเพราะว่ามันเป็นมันวาวเธอผู้นั้นไว้ผมยาวสายายลงมาประบ่าจากใบหน้าด้านข้างในมุมที่ข้าพเจ้ามองเห็นขณะนั้นเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่สวยมากสวยอย่างมีสง่าจนไม่เชื่อว่าจะเป็นหญิงสาวพื้นบ้านนี้ เวลาคาตาอ่าเวลาขณะนั้นข้าพเจ้ากําลังเป็นหนุ่มเมื่อมาเห็นสาวสวยเช่นนี้จิตใจก็เกิดวูบวาบขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้แต่ข้าพเจ้าไม่ใช่ชายเจ้าชู้ไม่ใช่ชายใจกล้าก็เลยลังเลที่จะออกไปทักทายขณะที่ยืนหลบอยู่หลังพุ่มไม้สาวสวยผู้นั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาทางข้าพเจ้าประหนึ่งรู้ว่าข้าพเจ้ากําลังแอบมองเธออยู่ดวงตาที่มองตรงมางจุดข้าพเจ้าแอบซุ่ม แม้จะเป็นในตาสวยแต่ก็สัมผัสถึงอำนาจลึกลับและน่าพรั่นพรงได้อย่างอธิบายไม่ได้เธอผู้นั้นหมุนตัวจากการยืนมองไปทางลำธารหันกลับทางดงไม้แล้วก็ก้าวเดินขึ้นมาโดยไม่เหลือบแรมมองทางข้าพเจ้าแม้แต่นิดเดียวหญิงสาวเดินเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเพราะแค่วูบเดียวร่างของเธอก็หายลับเข้าไปในดงไม้ข้าพเจ้ารีบถลันออกจากที่อำพรางตัวเพื่อมองหาสาวสวยคนดังกล่าวแต่กลับมองไม่เห็นเธอซะแล้ว ข้าพเจ้าเดินตามหาทันทีแต่ประหลาดใจเมื่อไม่รู้ว่าเธอไปที่ใดทั้ทงที่น่าจะตามได้ทันข้าพเจ้าเดินลุยเข้าไปในดงไม้ตรงที่เห็นเธอเดินหายเข้าไปคิดว่าอาจพบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้หญิงสวยจับตาจับใจคนนั้นแต่กลับพบว่าพื้นที่เตียนโล่งกระย่อมนั้นหลังดงไม้แห่งนั้นเนี่ยที่กลางที่โลง่โลงๆมีต้นตะเคียนต้นหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางพื้นที่เพียงแค่ต้นเดียวโด ด, โ ด, ด ต้นตะเคียนต้นนี้มีขนาดใหญ่มากขนาดสี่คนอกลำต้นสูงตรงริ้วเป็นต้นตะเคียนที่สวยงามมากข้าพเจ้าก็เลยรู้สึกแปลกใจที่ต้นตะเคียนใหญ่ต้นนี้หลุดรอดจากสายตาของคณะตัดไม้ได้อย่างไรทั้งที่อยู่ใกล้ๆกับปางไม้ข้าพเจ้าสังเกตดูพบว่ามีต้นไม้ใหญ่ประเภทเตงรังในบริเวณใกล้เคียงถูกตัดไปจนหมดเหลือแต่ต้นตะเคียนต้นนี้ต้นเดียวที่ไม่ถูกแตะต้อง ข้าพเจ้าก็เลยเดินค้นหาสาวสวยผู้ลึกลับจนอ่อนใจก็ไม่พบร่องรอยของเธอประกอบกับเวลาผ่านไปมากก็เลยตัดสินใจกลับปางพักก่อนข้ามมืดกลางทางเมื่อถึงปางพักจึงได้เล่าเรื่องไปพบผู้หญิงสาวสวยคนนั้นกล่าวให้สมชายฟังแทนที่สมชายจะแสดงความตื่นเต้นเขากลับมีหน้าตาเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีพร้อมกับบอกข้าพเจ้าว่าไอ้สันเองรู้เถอะว่าโชคดีเหลือเกินที่เจอแม่คนสวยนั่นและยังรอดชีวิตกลับมาได้ ไม่งั้นก็คงตายโหงอยู่กลางป่านั่นแล้วฝั่งเพื่อนพูดข้าพเจ้าไม่เข้าใจอะไรจึงถามเขาว่ามันเรื่องอะไรแม่คนสวยนั่นถึงจะฆ่าฟันฆ่าให้ตายข้าไม่เห็นเธอดุร้ายอะไรที่เองเห็นนั่นน่ะมันคนเสมอหลายหลายสาัรมันเป็นผีผีดุอีกตั้งหากข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าเป็นผีก็เห็นกับตาว่าเป็นคนชัดๆข้าพเจ้ากล่าวตามความจริง หายโง่ได้ละไอ้สันที่เองเห็นน่ะข้าขอยืนยันว่าเป็นผีไม่ใช่คนและก็ไม่ใช่ผีธรรมดาซะด้วยแต่ว่าเป็นผีนางตะเคียนจากนั้นสมชายเพื่อนของข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องผีนางตะเคียนให้ฟังเหตุการณ์ของเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเกิดขึ้นก่อนที่สมชายจะเข้ามาทํางานในป่าตอนนั้นหัวหน้าคนงานชื่อชุบไปเห็นต้นตะเคียนใหญ่ต้นเดียวกันกับที่สันเนี่ยไปเห็นนะคะก็ะเลยสั่งให้คนงานนี่ไปข้นต้นตะเคียน คนงานซึ่งเป็นคนพื้นเพลหมู่บ้านชายป่าบอกกับนายชุบว่าต้นตะเคียนต้นนี้มีมาตั้งแต่รุ่นทวดของเขาแล้วห้ามมิให้ใครแตะต้องทําลายอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามีนางตะเคียนที่มีอิทธิฤทธิ์สิงสู่อยู่หากไปล่วงละเมิดจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาไปโคนต้นตะเคียนเขาคงทําไม่ได้นายชุบเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณอยู่แล้วค่ะไม่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆโดยเฉพาะไม่เชื่อเรื่องผีนางตะเคียน เมื่อคนงานปฏิเสธไม่ไปตัดต้นตะเคียนนะคะนายชุบก็โกรธมากกระทั่งกับเลิกจ้างคนงานคนนั้นทันทีเลยแล้วก็สั่งคนงานชุดใหม่ให้ไปตัดต้นตะเคียนต่อไปแต่ว่ายังไม่ทันที่คนงานชุดใหม่จะตัดต้นตะเคียนตามคําสั่งค่ะก็เกิดเหตุการณ์สยดสยองกับนายชุบหัวหน้าคนงานนายชุบหัวหน้าคนงานซึ่งเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอํานาจพูดผีปีศาจหรืออาถรรพ์อะไรทั้งสิ้นนะคะเมื่อมีอ่าที่นายชุบมีความเชื่อมั่นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนั่นเอง เมื่อในชุบไม่เชื่อว่าต้นตะเคียนเนี่ยมันมีอาถรรพ์มีวิญญาณสิงสู่อยู่ก็เลยคิดแต่จะโค่นต้นตะเคียนอย่างเดียวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจ้านายคือเท่าแก่เจ้าของโรงเลื่อยนั่นแหละนะคะและถึงกับไล่คนงานที่เป็นคนพื้นที่ออกจากงานเพราะไม่เชื่อฟังคําสั่งของตัวเองวันหนึ่งค่ะในชุบออกไปจากที่พักนะคะแล้วก็บอกลูกน้องว่าจะไปดูต้นตะเคียนเพื่อสํำรวจดูว่าโค่นต้นตะเคียนแล้วจะชักลากมารวมกับไม้อื่นๆได้ยังไง ในชุบก็หายไปทั้งวันค่ะจนกระทั่งตกตอนเย็นก็ยังไม่กลับมามืดค่ำและไม่มีวิแววของในชุกกลับมากินข้าวคนงานก็เลยพากันเป็นห่วงว่าในชุบเนี่ยจะได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหายไปนานผิดปกติลูกน้องกลุ่มหนึ่งจึงออกไปตามหาโดยจุดใต้สองสว่างไปด้วยเมื่อไปถึงลำธารที่ไม่ไกลาจากที่มีต้นตะเคียนนะคะทุกคนก็มองเห็นในชุบน่นอนอยู่ริมฝั่งทา น, น้า แต่ว่าได้กลายเป็นศพไปแล้วค่ะสภาพศพก็คือมีสภาพที่อุจารตาเพราะว่ากางเกงที่นุ่งเนี่ยถูกถลกออกมาอยู่ที่ปลายเท้าใบหน้าของในชุบนะคะแสดงว่าก่อนสิ้นลมหายใจคงประสบพบเห็นสิ่งที่หวาดหวัน่นพลันพลึงสุดขีดเพราะว่าในตาเหลือกลานนะคะแทบถลนออกมานอกเบ้าปากอ้าลิ้นจุก ป, ปากเมื่อพวกลูกน้องเข้าไปอุ้มศพกลับปางไม้ปรากฏว่าศีษสห้ยร่องแรงเนื่องจากว่ากระดูกคอต่อนี่หักสะบัน แล้วก็ไม่มีใครนะคะสามารถคาดเดาได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ในชุบตายเพราะว่าบริเวณที่พบศพไม่มีร่องรอยของสัตว์ร้ายใดๆทั้งสิน้นจะว่าถูกคนร้ายทำร้ายก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะคะ คอที่หักก็ไม่ไ ม, ไมีไม่มีรอยเขียวช้ำอะไรที่จะเป็นเงื่อนเขาหรือว่าเป็นเงื่อนงำของการถูกบีบคอซึ่งถ้าในชุบถูกทำร้ายแบบหน้ า, าแบบซึ่งซึ่งหน้าด้วยมือเปล่าก็คงทำอะไรไม่ได้ง่ายๆแน่เพราะว่าในชุบเนี่ยเป็นคนร่างใหญ่แข็งแรงอดีตก็เป็นนักเลงผ่านการต่อสู้มาแล้วอย่างโชกโชนค่ะที่เป็นปริศนาน่าสงสัยที่สุดคือทาไมในชุบต้องถอดกางเกงถลกลงมาเช่นนั้น เพื่อนของคมสรรนะคะได้เล่าให้ฟังค่ะจากที่ในชุบตายอย่างลึกลับก็ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับต้นตะเคียนต้นนั้นอีกเลยโดยที่ทุกคนเชื่อนะคะว่าผีตะเคียนเป็นผู้ฆ่าในชุบส่วนในชุบจะไปล่วงเกินอะไรผีตะเคียนอย่างไรไม่มีใครคาดเดาได้ สมเชื่ออาสมชายนะคะเพื่อนของคมสันก็เตือนว่าอย่าไปเข้าใกล้ต้นตะเคียนต้นใหญ่ต้นนั้นอีกเป็นอันขาดโดยเขาย้ำนะคะว่าในป่าเขามันมีอะไรที่ลึกลับเกินกว่าจะเข้าใจได้เองอย่าอวดดีอวดเก่งไปโลบหลูดูหมิ่นข้าถ้าไม่นับถือก็ทำเฉยๆซะจะได้ไม่เป็นภัยแก่ตัวเอง สำหรับต้นตะเคียนขนาดใหญ่แล้วก็มีอายุมากๆผู้เท่าผู้แก่บอกว่ามีนางตะเคียนสิงสู่อยู่ก็ควรฟังไว้ยิ่งเองเคยเห็นมาแล้วด้วยตาของตัวเองก็ต้องยิ่งยำเกรงเอาไว้บ้างคมสันรับคาเตือนของสมชายแล้วก็ให้สัญญานะคะว่าจะกระทำตามที่สมชายบอกอีกอย่างหนึง่งตัวข้าพเจ้าก็คือคมสันอ่าคมสันนะคะ เขาไม่ได้มีนิสัยหรือว่าสันดานอวดเก่งหรือว่าถือดีแต่อย่างไรการที่แสดงความเคารพนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสิ่งที่เร้นลับสามารถกระทำได้โดยไม่รู้สึกตะขิตแต่ขวงใจเลยแม้แต่น้อยค่ะอันที่จริงต้นตะเคียนต้นนั้นน่าจะอยู่คู่ป่าไปอีกนานแสนนานถ้าเท่าแก่เจ้าของโรงเลื่อยไม่เดินทางเข้ามาที่ป่างไม้แล้วก็มีคนงานคนหนึ่งเล่าว่าความเฮี้ยนของต้นตะเคียนต้นดังกล่าวเนี่ยมันมันเคยเกิดขึ้นอย่างไร เท่าแก่ก็เกิดอยากไปดูแล้วก็ให้คนงานพาไปดูพอไปเห็นต้นตะเคียนใหญ่สูงตรงานแล้วก็มีขนาดใหญ่เท่าแก่ก็เกิดความโลภขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อกลับมาถึงปางไม้ก็สั่งให้คนไปตัดต้นตะเคียนแต่คนงานไม่มีใครกล้าตัดเท่าแก่ก็เลยจ้งตั้งเงินรางวัลพิเศษสำหรับคนใจกล้าอาสาตัดต้ดตนตะเคียนใหญ่คนงานชาวอีสานคนหนึ่งชื่อว่านายเผาอยากได้เงินมากกว่ากลัวรินางตะเคียน ก็เลยรับอาสาเป็นคนไปตัดเองแล้วก็กําหนดกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันลงมือค้นต้นตะเคียนลงมาโดยเท่าแก่ก็จะไปดูด้วยนะคะในคืนก่อนจะถึงวันตัดต้นตะเคียนขณะที่ข้าพเจ้านอนหลับอยู่มีความรู้สึกเหมือนฝันซ้อนฝันคือในฝันเนี่ยมันจะเป็นห้องที่ข้าพเจ้ากําลังนอนและก็มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาในห้อง ผู้หญิงคนนั้นข้าพเจ้าจำแดนแม่นว่าเป็นคนคนเดียว ก, กันกับที่พบเมื่อตอนกลางวันเธอใส่เสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือสีชมพูผ้าถุงสีชมพูแบบสีปูนแห้งยกลายเป็นดิ้นเงินหรือทองไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นมันมันวาวความสวยสงา่าเคยมีเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นเพียงแต่การพบเห็นครั้งนี้ดูเธอจะเคร่งขรึมดูดุผิดกว่าคราวก่อนเธอมายืนอยู่ตรงด้านหน้าแคร่ที่ข้าพเจ้านอนแล้วก็พูดว่าคุณเป็นคนดี ไม่เคยคิดละเมิดล่วงเกินเราเพราะฉะนั้นเราจึงมาบอกว่าอย่าให้ใครไปแตะต้องต้นตะเคียนเป็นอันขาดหากไม่เชื่อฟังจะเกิดเหตุซึ่งกลายเป็นการผูกเวรสร้างกรรมต่อกันสืบไปขอให้ไปห้ามคนที่คิดจะค้นต้นตะเคียนซะในฝันข้าพระเจ้าได้อธิบายให้หญิงสาวสวยคนนั้นได้รับทราบตามความเป็นจริงคนสั่งตัดต้นตะเคียนเป็นเจ้านายผมผมจะไปห้ามเขาคงไม่ได้และห้ามเขาก็คงไม่เชื่อไปห้ามเขาเถอะ ถ้าเขาไม่เชื่อจะต้องเกิดเหตุร้ายแรงแน่บอกเขาว่าเราไม่อยากทำอย่าให้เราต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปเลยหญิงสาวผู้สง่ามผู้สง่างามนะคะพูดแค่นั้นก็หันหลังแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับทาให้คุณคมสันเนี่ยสะดุ้งนะคะรู้สึกหัวใจเต้นระทึกแล้วก็เหตุการณ์ในฝันของการปรากฏตัวของผู้หญิงลึกลับประเึว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ข้าพเจ้าหวนคิดถึงคำบอกเล่าของเพื่อนเรื่องนางตะเคียนสมชายเตือนข้าพเจ้าว่าอย่าเข้าไปใกล้ก็เลยทำให้เกิดความเชื่อขึ้นมาว่าผีนางตะเคียนเนี่ยต้องมีจริงๆและก็นางตะเคียนได้มาเตือนสติไม่ให้มีผู้หนึ่งผู้ใดไปโค่นล้มต้นตะเคียนที่นางสิงสู่อยู่ ข้าพเจ้าตั้งใจว่าตอนเช้าจะนําคําเตือนของนางตะเคียนไปบอกเล่าต่อเท่าแก่เจ้าของโรงเลื่อยเพื่อขอร้องให้แก่ลมเลิกการโค่นต้นตะเคียนใหญ่ต้นนั้นซับแต่เท่าแก่จะเชื่อข้าพเจ้าหรือเปล่าเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้ารีบไปพบเท่าแก่แล้วก็เล่าความฝันที่นางตะเคียนมาห้ามห้ามให้แก่ฟังเมื่อข้าพเจ้าพูดจบแทนที่เท่าแก่จะนําไปพิจารณาแกกลับหัวเราะดังลั่นแล้วก็พูดเหมือนเยาะเย้ยข้าพเจ้าบอกว่าลือเพี้ยนไปแล้วโว้ไอสัน อ้วห์ให้ลื้อมาคุมงานตัดไม้แต่เสือกลัวผีต้นไม้จะโกรธมากถ้าไปตัดต้นไม้ขืนให้ลื้อคุมงานแบบนี้อัวเจ๊งแน่เอาไว้คนต้นตะเคียนต้นนั้นเรียบร้อยแล้วลื้อกับอัวต้องมีเรื่องคุยกันหน่อยละข้าพเจ้านำคำเตือนของนางตะเคียนมาเตือนเท่าแก่เพื่อให้แกเกิดสติแต่ผลที่ได้รับดูเหมือนข้าพเจ้าจะพลอยรับเคราะห์ก่อนนางตะเคียนเป็นแน่ เพราะว่าการที่เท่าแก่มีเรื่องจะพูดด้วยเป็นการส่วนตัวก็พอจะเดาออกว่าเผลอๆ อ, อาจมีโอกาสตกงานค่อนข้างสูงแต่ข้าพเจ้าก็เงียบซะคิดในใจว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดพอตอนสายของวันนั้นเท่าแก่และก็กลุ่มคนตัดไม้นะคะซึ่งมีนายเพาค่ะรับอาสาเป็น ค, นคนค่นต้นตะเคียนออกจากตางไม้ตรงไปยังต้นตะเคียนต้นดังกล่าว สำหรับคุณสันเองนะคะก็มีหน้าที่คุมงานตัดไม้อีกแห่งหนึ่งจึงไม่ได้ไปร่วมร่วมการตัดต้นตะเคียนต้นนี้ด้วยขณะไปคุมงานลึกเข้าไปในป่าอีกแห่งหนึ่งค่ะคุณสันบอกว่าไม่ค่อยสบายใจนักคอยคิดแต่เรื่องต้นตะเคียนต้นนั้นอยู่เรื่อยๆพร้อมกันก็ภาวนาขออย่าให้พวกที่ตัดต้นตะเคียนประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเลยเพราะว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับคนงานที่อายุมากๆแต่ละคนบอกเล่าเหมือนกันหมดว่านางตะเคียนมีฤทธิ์ร้ายจริงๆ ถ้าทำให้นางตะเคียนพี่โรดกรดกิ้วเมื่อไหร่นางตะเคียนจะเล่นงานถึงตายครบค่าวันนั้นข้าพเจ้ากับคนงานชุดที่ข้าพเจ้าดูแลก็เดินทางกลับปางไม้เมื่อเข้าเขตที่พักกลางป่าก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องมีเหตุการณ์ผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าคนงานนั่งจับกลุ่มคุยกันเงียบๆแล้วก็ไม่สนุกสนานเฮฮาเช่นทุกวันมองหารถจิบของเท่าแก่ก็ไม่เห็นแสดงว่าเท่าแก่ไม่ได้อยู่ที่ปางไม้และก็จะถามสมชายเพื่อนเกลอ สมชายก็ไม่อยู่เนื่องจากไปค้างในป่ากับคนงานชุดของเขาพอดีนายสอนคนตัดไม้เดินผ่านมาก็เลยเรียกถามว่าเหตุการณ์ทางนี้เรียบร้อยดีไหมและเท่าแก่ไปไหนเพราะว่าเห็นบอกว่าจะค้างตรวจงานหลายวันนายสอนบอกนะคะว่าเท่าแก่กับคนขับรถเนี่ยพาไอ้เผาเข้าเมืองรีบพามันไปส่งโรงพยาบาลในจังหวัดไม่รู้ว่าจะรอดหรือตายหรือเปล่าแล้วคุณสันก็เลยถามนะคะว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้น ในเผาเป็นอะไรถึงต้องพาไปโรงพยาบาลมันโดนเลือยยนตีกลับเข้าที่หน้าอกผมว่าคงไม่รอดเพราะว่าแผลเวอะแวถึงกระดูกเลยทีเดียวลางสังหรณ์ที่ทำให้คุณสันหวั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงได้เกิดขึ้นจริงค่ะก็เลยซักถามนานสองนานอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าในสอนเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งร่วมขบวนไปกับเท่าแก่ค่ะในสอนเล่าให้ฟังว่าเมื่อขบวนถึง ที่ต้นตะเคียนใหญ่นะคะแดดที่กําลังจัดจ้าพลันก็หลุบแสงลงมีเมฆฝนลอยเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์แล้วก็มีลมแรงพัดกันโชกมาเป็นระยะค่ะพุ่มใบของต้นตะเคียนสั่นไหวกราวสะบัดกิ่งใบมาค่ะคนงานต่างพากันเสียใจแล้วก็พากันใจเสียนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าดริดของนันตะเคียนแต่ว่าเท่าแก่กลับหัวเราบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของดินฟ้าอากาศแล้วก็เลยสั่งให้ในายเผาเนี่ยใช้เรื่อ ย, ยนตัดต้นตะเคียนทันที ในเผาสตาร์ทเครื่องยนต์หลายครั้งหลายหนเครื่องก็ไม่ยอมติดต้องช่วยกันแก้ขนานนานนับชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าเครื่องยนต์จะทํางานค่ะทีนี้พอเครื่องยนต์ทํางานแล้วในเผาก็เริ่มตัดโคนต้นตะเคียนเช่นที่เคยทํามาจนชํานาญโดยเริ่มใช้เลื่อยยนต์เนี้เลื่อยเนื้อไม้เข้าไปสายพานคมเลื่อยกินลึกเข้าไปนิดเดียวโซ่โซ่ก็ขาดนะคะหลุดออกจากกันแล้วสายพานคมเลื่อยก็เหวี่ยงสะบัดฟาดเข้าที่หน้าอกของในเผา ในเผานี่เพียดอาบแผดเสียงร้องหอยหวนเลือดและเศษเนื้อกระจายว่อนพร้อมกับร่างคนตัดไม้ไายลึงเลื่อยยนก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางนะคะแล้วก็ทุกคนก็ทลันเข้าไปหาร่างของในเผาที่นอนดิ้นอยู่บนพื้นดินบาดแผลชะกันเวอะหวะจนเห็นกระดูกที่เน้ออกค่ะ คนที่มีผ้าเขาม้าก็ลนลานใช้ผ้าเขาม้าโปะลงไปปิดปากแผลแล้วก็ใช้ผ้าเขาม้าอีกผืนมัดรอบอกนะคะเพื่อห้ามเลือดตามมีตามเกิดเท่าแก่ก็สั่งให้ช่วยกันแบกในเผากลับไปปางไม้โดยด่วน พอถึงปางไม้นะคะก็เอาในเผาขึ้นรถจิบของเท่าแก่แล้วก็ขับออกจากป่าทันทีเพื่อพาในเผาส่งโรงพยาบาลในจังหวัดซึ่งในสอนผู้อยู่ในเหตุการณ์ก็แสดงความคิดเห็นในตอนท้ายว่าผมว่าไอ้เผานี้ไม่รอดแน่นอนในสรนก็คิดดูและการจากปางไม้กว่าจะออกไปพ้นป่าเนี่ยมันใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะแล้วยังต้องวิ่งเข้าไปตัวจังหวัดอีกไกลามาก 4- ีหชั่วโมงกว่าจะถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ คุณสันฟังเรื่องราวที่ในสอนเล่าให้ฟังทั้งหมดนะคะก็พูดไม่ออกแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงในเผาผู้เคราะหร้ายนึกถึงอาการบาดเจ็บสาหัส ข, ของคนตัดไม้แล้วก็เส้นทางธุระกันดาลก่อนจะออกพ้นเขตป่าก็ได้แต่ภาวนาขอให้ในเผาไนี่มีชีวิตรอดปลอดภยัย วันรุ่งขึ้นตอนบ่ายค่ะคนงานที่ไปส่งในเผาพร้อมกับเท่าแก่ก็กลับมาถึงปางไม้แล้วก็นำข่าวสลดใจมาแจ้งทุกคนทราบว่าในเผาเสียชีวิตก่อนจะไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลคนตัดไม้ผู้ซึ่งหวังจะได้เงินพิเศษในการค้นต้นตะเคียนทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้สิ้นลมหายใจไปหลังพ้นป่าไม่นานนะค่ะสาเหตุการตายของในเผาเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของเท่าแก่แล้วก็รงเจ้าของโรงเรื่อยนะคะ แล้วก็คนงานอีกหลายคนทําให้ยากที่จะปฏิเสธได้เพราว่านั่นเป็นริ้ของนางตะเคียนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้และเมื่อนำมาประกอบกับความฝันของข้าพเจ้าฝันที่เห็นนางตะเคียนมาห้ามมิให้โค่นล้มต้นตะเคียนหากไม่เชื่อฟังก็จะเกิดเหตุร้ายก็ยิ่งทําให้สิ้นความลังเลยสงสัยทุกแง่ทุกมุม เมื่อข้าพเจ้าเชื่อเต็มร้อยว่านายเผาตายเพราะว่าบาังอาจล่วงละเมิดนางตะเคียนคนงานที่ปางไม้ก็เชื่อเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าแต่สําหรับเท่าแก่โรงเลื่อยจะเชื่อหรือไม่ไม่มีใครบอกได้นะคะแต่สําหรับความคิดของนายสันเองค่ะเขาบอกว่าเท่าแก่คงเชื่อแล้วละ่ะว่านางตะเคียนมีจริงและก็แสดงอิทธิฤทธิ์ได้จริงไม่เช่นนั้นคงมีคําสั่งไล่ข้าพเจ้าออกจากงานไปแล้วด้วยความผิดไปท้วงติง่งขัดขวางมิให้เท่าแก่โค่นล้มต้นตะเคียนตั้งแต่แรก เท่าแก่หายเงียบไปเป็นเดือนค่ะวันหนึ่งรถจิบของเท่าแก่ก็แล่นเข้ามาที่ปางไม้นอกจากคนขับรถประจำตัวเท่าแก่ที่เป็นผู้ขับยังมีคนอื่นมาอีก3คนทราบต่อมาว่าเป็นอาจารย์ทางยศยศาสตร์กับลูกศิษย์2คน เท่าแก่เจ้าของโรงเลื่อยชื่อแล้วนะคะว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่จริงแต่ว่าเท่าแก่ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่นางตะเคียนได้ไปเสาะหาอาจารย์ศิยศาสตร์ชาวเขมรเพื่อทำการสะกดนางตะเคียนแล้วก็ต้องการโค่นล้มต้นตะเคียนต้นนั้นให้ได้แม้เท่าแก่ต้องเอาชนะนางตะเคียนต้องการทำลายตะเคียนให้ย่อยยับด้วยความโกรธแค้นแต่เท่าแก่ก็ไม่กล้าเข้ามาอยู่ในป่า ไม่กล้าเข้าไปใกล้ต้นตะเคียนอีกเพียงแต่ส่งอาจารย์ศัยศาสตร์มาทําลายผีนางตะเคียนแทนตนเท่าแก่ไม่ได้เข้าป่ามาเองแต่ว่าส่งอาจารย์ศัยศาสตร์มากับสิทธิ์สองคนซึ่งทราบว่าอาจารย์ศัยศาสตร์รายนี้มีเชื้อสายเป็นชาวขาเขมรเป็นชาวขาเขมรทํานองนี้นะคะเท่าแก่รงเลื่อยไปติดต่อว่าจ้างให้มาทําพิธีสะกดนางตะเคียนให้ได้เพื่อจะโค่นล้มต้นตะเคียนลงค่ะ